พระเจริญกลับมาถึงวัดลมบรุรีสมผานช่อได้บอกให้ทราบเรื่องที่สมเด็จพระพุทธาจารย์สังฆมนตรีว่าการปกครองทั่วราชอาณาจักรมีหนังสือแจ้งมายัางเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดให้ส่งพระที่จะเป็นอุปชาในอนาคตไปเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุ เมื่อไปเป็นอุปชาจะได้สอนกรรมฐานให้ลูกศิษย์ได้นอกจากนี้ยังออกระเบียบเฉพาะกิจไว้ว่าภิกษุรูปใดมิได้ผ่านการอบรมวิปัสสนากรรมฐานจะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุปชาเพราะขาดคุณสมบัติของการเป็นวิปัสสนาจารย์เป็นโอกาสดีของเธอแล้วที่จะได้ไปศึกษาหาความรู้ เพื่อจะได้เป็นอุปชาต่อไปในโอกาสหน้าสมภารชอบอกพระเจริญแต่อายุพรรษาผมยังน้อยนิดครับหลวงพ่อแค่ห้าพรรษาจะเป็นอุปชาได้ยังไงพระหนุ่มติงเพราะการเป็นอุปชาได้นั้นจะต้องบวชติดต่อกันไม่น้อยกว่าสิบพรรษาก็ไปเรียนมาซะก่อนพออายุพรรษาครบ เขาจะได้พิจารณาแต่งตังเธอเพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนลุงพ่อชอ่ออธิบายทำไมลุงพ่อไม่ส่งรูปที่พันษาแก่กว่าผมไปล่ะครับผมเกรงว่าจะเป็นการข้ามหน้าข้ามตาพระเจริญแนะนำไม่มีใครเหมาะสมเท่าเธอพวกนั้นเหนหรือมีแต่ประเภทกินแล้วก็นอนแถมตดกันปูดปาดลันกุติ ขืนส่งไปก็ขายหนักเขาเปล่าๆลุงพ่อชอบบ่นจนคนฟังมองเห็นภาพกระนั้นก็แก้แทนเพื่อนร่วมอารามว่าไม่เป็นอย่างนั้นทั้งหมดหรอกครับลุงพ่อที่ดีๆก็ยังมีอยู่หลายรูปลุงพ่อน่าจะให้เขาไปก่อนเอาเถอะส่งเธอไปก่อนนั่นแหละดีแล้วรูปอื่นๆคอยว่ากันทีหลังถือว่าเป็นคำสั่งของสมภาร ห้ามคัดค้านหลวงพ่อชอใช้วิธีเผด็จการไปอยู่นานไหมครับแล้วจะเดินทางเมื่อไรพระหนุ่มถามเมื่อเห็นว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงเห็นว่าหกเดือนออกเดินทางบารุณ้เรือพงประจักษ์ออกจากท่าเวลาตีหาตรงเธอไปตรียมตัวได้แล้วคงมีเวลาไปลำลายยมย้ายของเธอหรอกนะ ท่านรู้ว่าพระหนุ่มผูกพันกับโยมยายมากพระเจริญนึกถึงคาพูดของหลวงพ่อในป่าที่ว่าท่านจะได้พบกับอาจารย์ในอีกเจ็ดวันข้างหน้าหรือจะเป็นโอกาสดีของเราที่จะได้พบอาจารย์สอนสติปัฏฐานสี่อย่างที่หลวงพ่อในป่าท่านบอกซ่อนความปิติอินดีไว้แล้วถามหลวงพ่อช่อว่าวัดมหาธาตุอยู่ที่ไหนผมยังไม่รู้เลย อยู่ฝั่งบางกอกหรือฝั่งธนบุรีครับอยู่ฝั่งบางกอกก่อนถึงถาดเตียนเห็นว่าอยู่ใกลๆ ก, ก, กับถาประจันทร์นั่นแหละถ้าอย่างนั้นผมนึกออกแล้วอยู่ติดกับสนามหลวงนั่นเองผมเคยผ่านบ่อยๆแต่ไม่เคยเข้าไปเป็นวัดใหญ่มากครับหลวงพ่อแล้วผมจะไปอยู่กับใครล่ะครับภิกษุวัยเบญจเพศยังไม่หายกังวล ในหนังสื้อเขาให้ไปที่คณะหา้าอย่าห่วงเรื่องนั้นเลยฉันคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรก็ให้เธอเตรียมตัวเตรียมใจไว้พร้อมก่อนแล้วกันลุงพ่อส่งผมไปคนเดียวหรือครับผมอยากได้เพื่อนสักคนงั้นก็เอาเนธทองดีไปเป็นเพื่อนแล้วกันจะได้เอาไว้ใช้สอยทางโน้นคงไม่ว่าอะไรสมภา์ช่ออนุญาต เนนทองดีที่พูดติดอ่างนั่นหรือครับคนนั่นแหละแต่ถึงแกจะพูดไม่คล่องก็ทำงานคล่องนะหรือจะเปลี่ยนเป็นเนนทรงกรดรายนี้พูดคล่องแต่งานไม่คล่องสักเท่าไรจะเอาไหมละ่ะผมคิดว่าเอาเนนทองดีไปดีกว่าเนนทรงกรดฉลาดยังกับกรดผมกลัวจะตามแกไม่ทันนั่นสิทั้งฉลาดทั้งกระหล่อนฉันว่า จะไปทำให้เธอปวดหัวเสียมากกว่าสมพันธ์ช่อเห็นด้วยแล้วจึงสั่งอีกว่าไปบอกเนนทองดีให้รู้ตัวซะก่อนจะได้มีเวลาไปลำลายาิโยมบอกว่าฉันอนุญาตแล้วพระหนุ่มจึงกราบสมพัน3์สามครั้งแล้วเดินกลับกุฏิที่พักเก็บเครื่องอัฐบริคารเข้าที่ทำความสะอาดกุฏิเสร็จแล้วจึงส่งน้า และครองผ้าอย่างเรียบร้อยตั้งใจว่าจะไปบอกข่าวแกนเนนทองดีซึ่งอยู่กุฏิถัดจากท่านไปสองหลังเมืม่อ<ม>ไปถึงเนนวัยสิบสามก็ทักขึ้นก่อนลลอลวงพีก่กลับมาตั้งแต่เมื่อเมื่อไรสักพักใหญ่ๆนี่เองพอไปกราบสมผานท่านก็บอกว่า จะส่งลุงพี่ไปเข้าอบรมกรรมฐ า, านที่บางกอกได้พักแค่สองคืนเมื่อรืนก็ต้องเดินทางอีกแล้วพระนุ่มบนไกลๆทิศทิศทีททท่บะบะบางกอกหรือวัดอะไรครับวัดมหาธาตุลุงพี่จะมาชวนเนนไปอยู่ด้วยไปอยู่บางกอกด้วยกันนะเนนทองดียังไม่เคยไปบางกอก และไฝ่ฝันว่าวันหนึ่งจะได้ไปครั้นได้ยินที่พระเจริญพูดก็ดีใจเป็นล้นพ้นจะ จ, จ, จริงหรือเพผมไม่ได้ฝันไปนะครับก็จริงนะสิอะไรจะฝันกลางวันแสกๆตกลงไปกับลงพี่นะสมพานท่านอนุญาตแล้วเนนทองดีดีใจเหมือนได้แก้วสมแล้วความหวังที่ตั้งไว้ ว่าวันหนึ่งตัวฉันนั้นจกไปเยือนบางกอกให้ได้แม้เพียงครั้งรีบบอกพระหนุ่มว่าพบ ผ, <ม>ผมจะจะไปรับใช้หลวงพี่นะันะครับขอบใจมากเป็นอันว่าตกลงตามนี้นะมรืนนี้เรือออกเวลาตีห้าตรงออกจากวัดตีสี่กดทันทมมทไปจัดการลาญาตโยมซะให้เรียบร้อยสั่งเสร็จ จึงเดินทางไปตลาดปากบางเพื่อส่งข่าวโยมยายและโยมพ่อโยมแม่ท่านจะไปอยู่ต่างถิ่นต่างที่ก็ขอให้รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีจะพูดจะทำอะไรก็ขอให้ตรึก รองเอี่รอบขอบเสียก่อนแล้วค่อยพูดค่อยทำอย่าลืมว่าท่านเป็นพระต้องสำรวมให้มากกว่ากรหัดโยมใหญ่เทศนอกธรร ม, มาธเช่นทุกครั้งที่ท่านมาล่ำลาแม้จะเทศซ้ำๆซากๆหากพระหนุ่มกลับฟังได้ไม่รู้เบื่อผิดกับตอนเป็นเด็ก ที่ท่านรู้สึกรำคาญนะักเมื่อถูกสอนบัดนี้ท่านระลึกเสมอว่าที่เป็นผู้เป็นคนมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีโยมยายคอยอบรมสั่งสอนกระนั้นก็อดย้วไม่ได้ว่าเทศเรื่องใหม่ๆบ้างสิโยมยายเรื่องนี้ฟังมาหลายรอบแล้วคนอายุเก้าสิบสามหยุดคิดนิดหนึ่งแล้วจึงตอบว่าโตลง เรื่องไหมก่อไหมรับรองว่าการ น, นี้ท่านยังไม่เคยฟังมาก่อนแนะ่ตั้งใจฟังนะยูมจะสอนวิธีคบคนและปฏิบัติต่อคนประเภทต่างๆคนบาอย่าถือคนดือ้อย่าสอนคนจอรอย่าคบ คนประจบอย่ารักคนทักอย่านิ่งคนจริงอย่าหนาคนอายอย่าล้อคนมาง้อขอโทษอย่าไปโกรธเคืองเขาจำได้หรือเปล่าไหนลองว่าให้โยมฟังสิพระหลานชายว่าได้ไม่ผิดแม้ตัวเดียว จนโยมยายออกปากชมความจำทันดีเลืออเกินต่อไปท่านจะกลายเป็นนักเทศที่มีถือเสียงหากโยมไม่ตายซะก่อนคงจะได้เห็นว่าเป็นอย่างที่โยมทำนายไว้หรือไม่พระหลานชายจึงยาวว่าโยมยายก็อย่าเพิ่งตายสิจะ๊ะอยู่ต่อไปนานๆ ให้ลูกหลานได้ชื่นใจโยมก็ตดังใจว่าจะอยู่ต่อไปจนกว่าจะตายนั่นแหละคนอายุเก้าสิบสามพูดหน้าตาเฉยดีแล้วโยมยายขอให้สมความตั้งใจนะอาตมาจะบอกเคล็ดลับให้ว่าทำยังไงถึงจะไม่ตายทำยังไงล่ะท่าน คนอายุก้าสามอยากรู้ง่ายนิดเดียวก็กินข้าวเข้าไว้กับหายใจเข้าไว้ทำได้สองอย่างนี้รับรองไม่ตายเวลาอาตมาไปเยี่ยมศพเปิดฝาลงดูเห็นนอนนิ่งไม่หายใจข้าวปลาก็ไม่ยอมกินอาตมาพูดด้วยก็ไม่ยอมพูดท่านพูดว่ายังไงล่ะยมยายถามอย่างนึกสนุก อาตมา ก, ก็ว่าโถเอ้ยโยมไม่ได้เลยบอกแล้วว่าให้หายใจเข้าไว้กับกินข้าวเข้าไว้ก็ไม่เชื่อเลยต้องมานอนในโรงอย่างนี้ท่านพูดเสียงสูงเสียงต่ำจนคนฟังอดขำเสียไม่ได้นางสาวจำแลงไปก้งจากนอกบ้านมาครั้นเห็นพระน้องชายนั่งอยู่จึงทักทายว่าไงล่ะท่านเมื่อไหร่จะสึก กลิ่นเหล้าโชยมากับคำถามพระเจริญจึงตอบว่าคงไม่สึกหรอกประเดียวจะต้องมาเมาเช้าเมาเย็นเหมือนคนบางคนแต่มันมีความสุขนะท่านยังไงยังไงก็ดีกว่าบวชเป็นพระแหละข้าวเย็นก็กินไม่ได้เหล้าก็กินไม่ได้อึดอาัดตายเลยอยู่อย่างนี้ดีกว่ามีความสุขกว่าเยอะความสุขของคนถั่ว แต่เป็นความทุกข์ของคนดีคนอายุ93สามพูดลอยลอยชั่วหรือดีมันก็ต้องตายทุกคนแหละยายไหนไหนก็ต้องตายก็ควรจะหาความสุขเข้าไว้ก่อนจริงมะหล่อนถามพระน้องชายอาจจะจริงของโยมแต่ไม่จริงของอัตมาพระเจริญตอบท่านมาเยี่ยมโยมยายทีไร เป็นได้เห็นพี่สาวอยู่ในสภาพเมามมยไม่ได้เรื่องทีนั้นไม่ผิดกับโยมป้าเหรียญเลยสักนิดท้าอย่าไปถือหนังจำแหลงมันเลยคนบาอย่าถือคนดืออย่าสอนคนเมาก็ไม่ผิดกับคนบาหนังคนนี้มันทั้งบาทั้งดือ ขืนสอนไปก่อไรประโยชน์อาตมาจะเชื่อโยมยายออโยมพ่อกับโยมแม่กลับมาพอดีทิดพองกับแม่จวนเห็นพระลูกชายก็เข้ามากราบพระหนุ่มถามโยมบิดาและโยมมารดาว่าโยมพ่อกับโยมแม่ไปไหนมาหรือพาโยมแม่เข้าไปหาหมอที่ศุกรศาลาท่านมานานแล้วหรือครับ ทิ่พองถามพักใหญ่ๆแล้วโยมแม่ป่วยเป็นอะไรจะ๊ะถามอย่างเป็นห่วงก็ปวดหูตัวร้อนตามปกตินั่นแหละจ้ะโยมเป็นคนมีกรรมเบียดบีอันชีวิตสัตว์มามากเลยต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อย่างนี้พระเจริญนึกถึงตอนที่ท่านเป็นเด็กโยมมารดาของท่านมีลูกถึงสิบคน ต้องฆ่าปูปลาเป็ดไก่เลี้ยงลู ก, ลกหากไม่ทำก็จะไม่มีอะไรให้ลูกกินกว่าลูกจะโตโยมานดาจึงเบียดเบียนชีวิตสัตว์มามากต่อมากท่านเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างกำดำกับกำขาวการที่โยมานดากลายเป็นคนขี้โรคก็เพราะกำดำโยมยายอายุยืนสุขภาพแข็งแรง เพราะกมขาวนี่กระมังพระพุทธองค์จึงตัดสอนเวนยสัตว์ว่ากรมดำมีวิบากดำกรรมขาวมีวิบากขาวอตมาจะมาลาโยมพ่อกับโยมแม่ไปเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานที่บางกอกท่านบอกโยมบิดาและโยมมารดาดีครับ ยมขออนุโมทนาเมื่อท่านตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะถือเพศบรรพชิตตลอดไปก็ต้องศึกษาหาความรู้ในทางธรรมให้ถึงที่สุดคนเราก็เท่านี้แหละครับท่านเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็ต้องเกิดอีกหากกรรมยังไม่สิน้นชีวิตคารวาดอยากที่จะทาให้สิ้นกรรมได้เพราะต้องทามาหาเลี้ยงชีพ บันพทิตมีโอกาสมากกว่าในอันที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อความสิ้นกรรมยมว่าท่านเดินมาถูกทางแล้วแต่คนบางคนก็มีกรรมนะครับท่านเกิดมาในครอบครัวที่ดีแต่ทำตัวให้เลวเขาเรียกว่าพวกมาสว่างแต่ไปมืดทิศพองตั้งใจประชดลูกสาวคนเล็กผู้ซึ่งกลายเป็นคนขี้เล่าเมายา ตั้งแต่อย่างสาวข้าว่าหนังคนนี้มันน่าจะไปเกิดเป็นลูกนังเหรียนมากกว่าจะได้สมน้ำสมเนื้อกันหน่อยแม่ยายพูดกับลูกเขยผมก็ว่าอย่างนั้นแหละไม่น่ามาเกิดเป็นลูกผมกับแม่จวนเลยเสียชื่อเสียงวงตระกูลหมดทิดพองเห็นด้วยกับแม่ยาย สนุกจริงนะสมหัวกันด่าข้าอยู่คนเดียวประเดี๋ยวแม่ได้เมาอรารวาดไม่รู้พระว่า ย, ยมหรอกนางสาวจำแรงขู่ก็ลองดูสิข้าจะได้เอาตะพดแผ่นกับบานเองให้เลือดโ่วมันออกมาสิบางทิดพองไม่ยอมแพ้ลูกสาวเห็นท่าทางเอาจริงของบิดานางสาวจำแรงก็นึกกลัวแม่หล่อมจะโตเป็นสาวอายุเกือบสามสิบ ก็ยังถูกบิดาตีด้วยไม้ตะพดอยู่บ่อยๆตอนเจ็บหล่อนก็คิดว่าจะเลิกเล่าครั้นพอหายเจ็บมันก็เปรี้ยวปากอยากดื่มอีกแล้วก็มีอันต้องพ่ายแพ้ใจตัวเองอยู่ร่ำไปอย่าไปตีเขาเลยโยมพ่อคนอย่างนี้ขืนตีก็ตายเปล่าๆ ป, ปล่อยเขาไปตามกรรมเถอะพระเจริญห้ามโยมมารดา โยงก็พยายามแล้วหนะทันแต่บางครั้งมันก็เหลืออดจริงจริงไม่รู้เวรกรรมอะไรถึงได้มามีลูกพาเลาพากออย่างนางคนนี้ทิศพองยังไม่หายโกรธนางสาวจำแลงจึงลุกขึ้นเดินสะบัดสะบัดออกไปกระนั้นก็กวนโทสะบิดาด้วยการพูดยอกย้อนว่าถามตัวเองดูสิก็ทำให้ข้าเกิดมาทำไมละ่ะยังก็ค่าอยากเกิดมาเป็นลูกพ่อนางนี่ ท่านฟังมันสิน่งคนนี้สงสัยจะไม่พ้นนรกคนเป็นพ่อพูดกรดโกรธอย่าไปถือสาเขาเลยโยมทำให้ใจเศร้าหมองเปล่าๆเอาละ่ะอตมาเห็นจะต้องกลับเสียทีจวนเวลาทำวัดเย็นแล้ว เรือพงประจักษ์ใช้เวลาวิ่งส2บสองชั่วโมงจึงถึงบางกอกพระเจริญกับเนนทองดีขึ้นจากเรือที่ท่าพระจันทร์และจึงพากันเดินไปยังคณะห้าวัดมห า, าธาตุมีพระจากต่างจังหวัดหลายรูปเดินทางมาเข้ารับการอบรมพระที่เป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับขับสู้อย่างดีและได้จัดให้พระเจริญพักห้องเดียวกับเนนทองดีเนื่องจากห้องมีจำกัด ท่านเดินทางมาเหนื่อยๆขอให้พักผ่อนตามสบายคืนหนึ่งก่อนพรุ่งนี้หลังจากทำวัดเช้าแล้วจะได้ทำพิธีขอกรรมฐานพอดีท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านไม่อยู่ไปสอนกรรมฐานที่คุกบางขวางกว่าจะกลับก็ดึกอาจารย์แพงซึ่งมีหน้าที่ต้อนรับและเป็นครูช่วยสอนกรรมฐานประจำคณะห้าบอกพระภิกษุที่เพิ่งมาถึงวันนี้มากันประมาณห้าหกรูป เจ้าคุณอาจารย์ท่านชื่ออะไรครับพระเจริญถามรู้สึกสะดุดหูตั้งแต่ได้ยินครั้งแรกเดิมท่านชื่อพระมหาโชดกเพิ่งได้รับโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทธานสมณศักเป็นพระอุดมวิชยียรเมื่อเร็วๆนี้ท่านเป็นเจ้าคณะห้าและเป็นวิปัสนาจารย์ที่ชำนาญทั้งด้านปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทในประเทศไทย ไม่มีใครเทียบเทียมท่านได้ฟังอาจารย์แพงพณ น, นาคุณสมบัติของท่านเจ้าคุณอาจารย์แล้วพระเจริญค่อนข้างแน่ใจว่าจะต้องเป็นบุคคลที่หลวงพ่อในป่าบอกว่าจะเป็นอาจารย์ของท่านพระหนุ่มนึกถึงถ้อยคำของพระในป่าที่ว่าท่านจะได้พบอาจารย์ในอีกเจ็ดวันข้างหน้าจากวันนั้นถึงวันพรุ่งนี้ก็ครบเจ็ดวันพอดี